ความว่ารู้ทั้งอริยสัจ ท, ทั้ง4เลยทั้งทุกสมุทัยนี้โลดมักจะต้องรู้ยิ่งแล้วเขามารู้ยิ่งนี่หมายความว่ายาตาปริญญาคือจะต้องวิเคราะห์วิจัยในขั้นพื้นฐานทั้ง4หมดเข้าใจถูกไหมครับเป็นยาตาปริญญาทั้ง4ี่ทุกทั้ง4ี่อริยสัจหมายความว่าทุกก็ต้องทําวิเคราะห์ในขั้นยาตาสมุทัยก็ต้องทํา แล้วก็นิพพานและมรรคก็ต้องต้อง ร, รู้รู้ในขั้นยาตับปิญญานี่ถูกหมครับแล้วก็ผมต่ อ, อีกหม่นะแล้วก็ขั้นปาริญเยยะเนี่ยหมายความว่าตอนนี้รู้ในระดับตีละนัิญญาเฉพาะเฉพาะทุกขสัต์นะครับส่วนป่าหาตับพระเขาเรียกว่า ปหานะตับพังนะฮะอันนี้หมายความว่าเป็นปะหานะปริญญาในทุกขัสัตและสมุทัยสัตว์เท่านั้นเข้าใจผิดไหมครับคืออภิญยานะฮะอภิญยาเนี่ยบอกว่าควรรู้ยิ่งแล้วก็บางแห่งบอกว่าเลยนี่คือยาตับปริญญาท่านก็เจอใช่ไหมครับคือนี่คือยาตัปริญญา เมื่อยาตัดปัญญานี่ก็หมายความว่าไอ้ขั้นรู้พื้นฐานเช่นรู้ตัวเขาแล้วรู้ตัวปัจจัยด้วยเนี่ยแม้แต่ในทุกสัตว์ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมครับสมุทัยสัต์แม้แต่ตัวนั้นเนี่ยแม้แต่ตันหาอาวิชากำรรเนี่ยหรือกิเลสอื่นๆเนี่ยก็ก็ควรจะในขั้นต้นก็ต้องควรจะมียาตัดปัญญาถูกไหมครับส่วนมรรคสัตว์นี่แน่นอนครับก็ต้องรู้อยู่เดียวแม้แต่จะเป็น เป็นธรรมะที่ดีก็ต้องควรรู้รู้ยิ่งเหมือนกันก็คื อ, อยาติปริญญาเหมือนกันมักมีลักษณะยังไงมีเหตุมีปัจจัยมีการเกิดดับคุณโทษรูบายเครื่องสลัดเอาย่างไงก็ต้องรู้ส่วนปัญญเยญนี่หมายความว่ารู้เฉพาะอุปาทานขันหรือทุกขสัต์ส่วนปหาตับพระหรือปญหาหนาปญญาเนี่ย หมายความว่ารู้ในสมุทัยศาสตร์ด้วยทุกขศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าปนๆกันอยู่ฮะในเรื่องปริญญาเนี่ยต้องถ้าถ้าเป็นสำนวนทั่วๆไปเนี่ยสามคำจะใช้คู่กันคืออภิญญาปริญญาปารานะสามคำถ้าสามคำแบบนี้ก็คือใช้ใช้เป็นคำที่ใช้แทนปริญญาสาม ใช่ไหมครินเยะตรงนั้นก็คือยาตะปริญญานนปริญญยะตรงนั้นคือปริชานะหรือปริญญยะตรงนั้นก็คือตีรณปริญญาส่วนปหานะนั้นคือปหานะปริญญาอันนี้ทั่วๆไปนะในพระสูตรจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นปฏิสัมพิธาตั้งแต่ว่าอภิญยยธรรมปริญยยธรรมภาเวตาธรรมสัจจิกาตาธรรมบาฮาตาธรรมเนี่ย น, นะตรงนั้นก็ลักไว้เลยอภินญยธรรมท่านบอกว่าเป็นยาตะปริญญา อบอกไม่เลยไหอ่าบอกว่าเป็นญาตะปริญญาปริญญยธรรมคือตีระนาปริญญาปหาตะประธรรมคือปหาณปปริญญาก็ก็แยกเอาไว้อย่างนั้ น, นก็พอขั้นก็พอน้าจานหาจาแต่ทีนี้เป็นคําที่แสดงโดยมากไม่ใช่ว่านิยามนี้ใช้ทั้งหมดไม่ใช่คือคือการการพูดธรรมะเนี่ยนะอ่าบางทีก็เอาข้างมากเอาไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าแบบนี้เป็นมาตรฐานว่าอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่เพราะคําว่าอภิอภิญญ ย, ยะตรงนั้นเนี่ยอมความถึงเขาบอกว่าทุกแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้ควรรู้ยิ่งอย่างเงี้ย น, นะคือถ้าตามสับแล้วแสดงถึงนิพพานเลยแม้กระทั่งบทสุดท้ายของอภิญญ ย, ยะนิเทศอะ่ะจบลงที่นิพพานาปริญญญเทศก็จบลงที่นิพพานอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในชั้นแรกๆเพียงแต่ว่า ขยายให้ดูพอเป็นเข้าเป็นโครงไปก่อนเท่านั้นเองอเป็นนิยามที่ว่าไม่ใช่ตายตัวอะไรอย่างในก็หมายความว่าดูว่าคำนี้อยู่ตรงไหนอเอาเป็นแห่งๆไปแต่ว่าไม่ไม่สามารถนิยามว่าตายตัวไปเล ย, ยแต่ถ้าเป็นในสังยุตติกายทั้งคันธวารวักเป็นต้นมามาด้วยการรู้ยิ่งกำหนดรู้ละ สับนี้ก็บ่งถึงปริญญาสามนั่นเองตามถ้ากล่าวตามกิจนะนียผู้ใดกาหนดรู้ทุกผู้นั้นก็เชื่อว่าละสมุทัยผู้ที่ละสมุทัยผู้นั้นแหละเรียกว่าคนที่ทำแจ้งนิโรธให้แจ้งแล้วก็คนที่ปฏิบัติอย่างนั้นแหละเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาหรือปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นนะซึ่งก็คือในสิ่งเดียวกันน่ะแต่ว่า การการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณารอบด้านนะครับในในวัตถุเดียวอย่างเช่นวัตถุคืออุปาทานขันธ์ห้าพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่อพิจารณาเพื่อละอุปาทานถามว่าการละอุปาทานจริงๆเนี่ยละได้เมื่อไหรต่อเมื่อประจักษ์แจ้งในนิพพานแล้วอะไรประจักษ์แจ้งในนิพพานบอกต้องอริยมรรคนะอ่าและอริยมรรคํากิจอะไรก็ทํากิจกําหนดรู้ ละสมุไทยทํานิโรอันนี้ให้แจ้งอะ่ะตัวนั้นแหละคือมรรคมันก็เลยกลายเป็นว่าปฏิสัมพันธม์มรรคท่านใช้คําว่าแทงตลอดด้วยยานอันเดียวยนะถ้าเป็นระดับโลกุตระนะแทงตลอดด้วยยานอันเดียวนถ้ากล่าวแบบบุปผ่าก็เบื้องต้นนะนะแม้กระทั่งสติปทานก็เหมือนกันตัวตัวอริยมรรคเนี่ยนะ อยู่ในกลุ่มโพธิปักษ์ยธรรมถ้ากล่าวก็กล่าวเป็นสองนายว่านายที่เป็นเบื้องต้นคือเรียกว่าโลกยะหรือบุปภาคในหนึ่งอีกนายหนึ่งคือที่เป็นโลกุะยะอันนะซึ่งจะเขียนอยางไงนี้ชักติดเมจิกติดอันนี้มั้งเนาะ <c oughs> เขียนไป <c oughs> เขียนมาว่าฝีมือไม่ได้พัฒนาขึ้นอะไรเลย อาจานย์นจันตีบอกอีกไปต้องไปเอาที่เขียนมังละพกมกังละเห็นไหมเพราถูกห้ามันนานโพธิปักจัยธรรมมี37ประการไงก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นปุปภาคคือเบื้องต้นกับที่เป็นโลกุตระ ส่วนที่เป็นบุปภาคคือถือว่ายังเป็นโลกิยะอยู่ส่วนที่เป็นโลกุตระนี่ก็ตรงตัวโพวี่ปัจจธรรม ท, ทั้งสามสิบเจ็ดนี่ยก็คือสติปทานเห็นมสั ม, มปิปทานอิทิบาทอินซีพระ โคชองมักเนี่ยนะทีนี้เอาเฉพาะสติปัฏฐานเฉยๆสติปัฏฐานมีสี่ประการนะซึ่งประกอบไปด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเ น, น่นะเวทานานุปัสนาสติปัฏฐาน จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่14บสีบัพพะเวทนาเนี่ยนับหนึ่งแต่ก็คือ9จิตนี้นับหนึ่งแต่ขยายเป็นสิบส่วนธรรมะนี้เป็นห้ากลุ่มเห็นไหมในเบื้องต้นนั้นสติตัวนี้เนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานาเป็นผู้โพธมังคต่ะ พหูแปลว่ามากพจน์ก็คือคําพูดคาพูดที่ประกอบใช่ว่าต้องมากเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพิจารณากายสิบสี่สิบสี่บับพะแต่ละบับพะนี่ก็มีรายละเอียดเยอะนไนะพิจารณาเวทนาเก้าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะทั้งห้ากลุ่มอันนี้ในเบื้องต้นนไนะตัวสติที่อยู่ในเบื้องต้นสติปฐานตัวนี้ที่อบรมแล้วทําให้มากแล้ว อันนี้สองคืออะไรสติปัฏฐานที่เป็นโล ก, กุตระเห็นไที่เป็นโล ก, กุตระก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเบื้องต้นเนี่ยนะมีกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์ส่วนสติปัฏฐานในตอนท้ายเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไห สติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่สติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระนี้มีสติปัฏฐานที่เป็นโลกิย ะ, ยะเป็นอุปนิสยัยการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นบุปผาคเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอันนี้เพื่อให้เกิดโลกุตระธรรมสติปัฏฐานในขณะโลกุตระนี้ได้สีชื่อเนี่ยนะทั้งที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้สชื่อ ถามว่าทำไมจึงได้ทั้งสี่ชื่อคือได้ทั้งว่ากายานุปัสนาด้วยเวทนาจิตธรรมะได้สี่ชื่อเลยในขณะมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำไมจึงเป็นแบบนั้นท <c oughs> วนอีกครั้งว่าการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่อประโยชน์อะไรเดีย น, นอยั ยังไงเมื่อเจริญถูกต้องตรงตัวอันนี้สองคือละวิปลาสในเบื้องต้นนะเพราะไอวิปลาสนั่นแหละเป็นเหตุแห่งโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและปุปายาตการเจริญสติปทานเนี่ยอันนั้นคือจุดหมายที่สูงสุดที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าระหว่างที่เจริญเนี่ยตรงตัวแล้วกิจคือการละวิปลาสพิจารณากายเนี่ยละอะไรละสุภาวิปลาสความสําคัญว่า งามพิจารณาเวทนานิละสุขวิปปารที่สําคัญว่าสุขพิจารณาจิตนิระนิจจาวิปปาราดเนี่ยนะความสําคัญว่าเที่ยงส่วนพิจารณาธรรมานิละอัตตวิปปาราดการละวิปปาราดในบุปภาคในเบื้องต้นละเป็นต่ทางคะเท่านั้นเอง ละด้วยตะทางฆ่าปะหารนะระหว่างที่เจริญนะพิจารณากายทั้ง14บสี่บัพพาละสุภาพวิปลาสพิจารณาเวทนาเก้าละสุขวิปลาสพิจารณาจิต16ละนิจจวิปลาสพิจารณาธรรมะทั้งห้าบัพพะเนี่ยนะละอัตราวิปลาสรวมทั้งหมดแล้วการเจริญสติปทานเบื้องต้นเนี่ยที่ต้องเจริญให้มากเพื่อละวิปลาส การละวิปปลาศเหล่านี้ละแค่ขณะนั้นๆขณะที่เจริญเนี่ยนะละได้ชั่วระหว่างที่เจริญทีนี้ถ้าละเด็ดขาดจริงๆเมื่อไรเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วอ่ะกิจคือการละโดยเด็ดขาดจึงจึงเกิดขึ้นเพ้นสติปัฏฐานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะโลกุตระมร์เนี่ยนะ จึงเป็นการละโดยเด็ดขาดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสติประฐานชื่อเดียวเนี่ยเออขอไปสติสติตัวเดียวเนี่ยได้ชื่อสติประฐานสีในขณะที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์นในขณะมรรคเพราะว่าทำกิจตั ว, ต, ว, ต, วตัวอริยมรรคตัวเนี่ยทำกิจละสุภวิปปาระละสุขวิปปาระละนิจจวิปปาระละอตัต ว, วิปปารได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะเมื่อเมื่อขณะอริยมรรคเกิดขึ้น นะัในขณะอริยมรรคนี้จึงได้ชื่อว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ประการอันนี้นีิยกมาเป็นตัวอย่างว่าในระหว่างเบื้องต้นกับเบื้องปลายทีนี้ปลายนี้มีอยู่มรรคมีมรรคเดียวหรือใช่สี่มรรคเข้าไหมสีม่มรรคคือโสดาปฏิมรรคสกธาคารมรรคอนาคามรมรรคและ อรหัตตมรักเนี่ยนะ ก, ก็เจริญสติปัฏฐานที่เป็นบุปภาค น, นะให้อริยมรักเนี่ยเกิดสี่ครั้งด้วยกันผู้ที่ทํากิจอันนี้เสร็จเรียกว่าทํากิจจบแล้วเนี่ยน ะ, ะนนะกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะถ้าอีกคัมภีบางแห่งก็บอกว่าท่านรูปนั้นก็เป็นหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลาย น, นะคือผู้ที่ทํากิจเสร็จ ทีนี้การท Christie, ํากิจเหล่านี้นะปุตุชนที่ปรารถนาเพื im, ication, ่อความเป็นพระโสดาบันก็ต้องเจริญสต <Peter, S 1> <tab> um. ิปัฏฐานอย่างนี้แล้วให้โสดาปฏิมาเกิดอันนี้ถือถือว่ารอบที่หนึ่งทีนี้เมื่อเป็นพระสกทาคามีก็กลับมาเจริญอันนี้อีกนั่นแหละเพื่อความเป็นพระสกทาคามีเมื่อเป็นพระสกทาคามีแล้วก็กลับมาเจริญอย่างนี้อีกเพื่อเป็นพระอนาคามี <qualified> เม oh, e uh oh um> ื่อเป็นร้านาคามีแล้วก็กลับมาเจริญสิ่งนี้อีกเพื่อความเป็นผ้าหันเป็นผ้าหันแล้วก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกเพื่ออะไรืเพื่อเข้าพระสมบัติหนึ่งเหตุผลที่หนึ่งนะเพื่อเข้าพระสมบัติอย่างที่สองเพื่อเข้านิโรธสมบัตินดีนะนิโรธสมบัติ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อสติสัมปชัญญะนี่นะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่แล้วดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จึงแบ่งธรรมะออกเป็นนี่นะอันนี้ควรเจริญเมื่อเจริญแล้วก็ละนี่นะทั้งหมดนี้เป็นเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งหมดเลย ขณะที่เจริญกายยานุปัสสนานี่นะบอกว่าเพื่อละสุภาพิปัฏฐานนี่นะในขณะที่เจริญเนี่ยหมายความว่าสุขวิปลานนี่จะวิปลานอัตตาวิปัฏฐานก็ก็ละไปบ้างด้วยใช่ไหมครับคงไม่ใช่ล ะ, ะเฉพาะสุภาพิลัฏาอย่างเดียวผมเข้าใจผิดไหมการการพิจารณาเนี่ยไม่มีใครเจริญแต่กายโดดโดดอย่างเดียวกล่าวตามเป็นจริงเลยนะ ไม่มีใครพิจารณาแต่กายล้วนล้วนไม่มีใครเจริญเวทนาล้วนลวนไม่มีใครเจริญจิตล้วนล้วนไม่มีใครพิจารณาแต่คำว่าธรรมะล้วนลวนจริงๆแล้วก็เจริญทักเขาจะรู้ทั้งหมดแต่ว่ามันชํานาญอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหลักเนี่ยไงแต่ว่าในสิบสี่บัพพาเนี่ยคือเพื่อละสุภาเท่านั้นหรือยังไงครับทั้งสิบสี่บัพพาก็เพื่อละสุภาวิปลาสเอว่าตรงๆก่อนนะในในเบื้องต้น แต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยนะกายคือรู ป, ปขันเวทนาคือเวทนาขันจิตคือวิญญาณขันธรรมะคือขันที่เหลือมนถามว่าจะรู้ขันเดียวเท่านั้นพอไหมมีใครรู้ขันเดียวแล้วอยู่แค่ขันเดียวไม่พออยู่แล้วเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือการจำแนกขันห้าอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นเองนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ขันทั้งห้าอยู่แล้วแต่แต่พูดถึงความชนานาญนะนะความชนานาญจะไม่เท่ากัน อันในสติปฐานเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วมียี่สิบเอ็ดบับพะในยี่สิบเอ็ดบับเพเนี่ยเขาจะรู้ทุกบัพพะนั่นแหละแต่ว่ารู้มากรู้น้อยถามว่าเหมือนอะไรเหมือนทางโลกเนี่ยแพทย์เบื้องต้นก็เรียนมันเหมือ น, นกันมาหมดนั่นแหละแต่ว่าพอจบแล้วทำไมหมอคนนี้เป็นหมอหัวใจอย่างเดียว นี่ก็หมอตาหูจมูกแล้วหมอนี้ก็เป็นหมอเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนไปเบื้องต้นเขาเรียนมาหมดไหมก็เรียนมาหมดพิจารณาหมดแต่ว่าชํานาญเป็นเป็นเรื่องๆผู้ที่เจริญอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ก็ศึกษาทั้งหมดอยู่แล้วพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาชํานาญอยู่เรื่องนั้นเป็นเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเช่นในสติปัฏฐาน14บับี่บพ่เนี่ยเขาชํานาญปฏิกูลมณสิการบัพ่าเป็นหลักในบางท่าน บางท่านบอกว่าชํานาญอานาปานสติเป็นหลักบางท่านจะชํานาญในอสุภะเป็นหลักบางท่านชํานาญในธาตุเป็นหลักเนี่ยนะแต่ว่าถ้ารู้เรื่องนั้นจริงมันก็ต้องรู้เรื่องอื่นอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานในขั้นโลกุตระนี่จึงเป็นเอกพจน์ถูกไหมครับอ่าเป็นเอกพจน์ฐานะในขณะมรคนั้น แสดงว่าการรู้ภาษาบาลีนี่มีความสำคัญทำให้เข้าใจใอะไรได้คือพวกนี้ต้องเจริญมากะนะเจริญไอ้ลูกสอนที่ชี้เนี่ยมันปัจจัยอะไรประตูปะนิสยะปัจจัยอ่า น, นะถามว่าปกตูอันนี้บางท่านเท่าไหร่บางท่านสามสิบปีนั่น ที่ที่คิดเรื่องนี้อยู่30ปีด้วยกันนะจึงมักอันนี้จึงเกิดขึ้นยังไงไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวของเรานี่ถ้าวัดโดยชั่วโมงมันกี่ชั่วโมงเองในการพิจารณาเนี่ยนะเอาเอาชั่วโมงเข้ามาวัดวันนี้ได้กี่ชั่วโมงอ่ะนะแล้วเก็บเก็บชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่ง2ีสชั่วโมงอ่ะนะเกณฑเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยทั้งชาติมาเลยเนี่ยไดถึง20ชั่วโมงหรือเปล่าอะไรนี่ก็วัดวัดดูจะรู้เอ๊ะมันจะคู่ควรกับ30ปีหรือเปล่าเพราะสามสิปีในที่ว่าเนี่ยท่าน เ, นเาน้นัอง บางท่านนะนะท่านจึงตรัสรู้พะะน้นถามว่าสามสิบปีที่เจริญเนี่ยต้องมากขนาดไหนเห็นไหมจะบอก็ท่านเว้นแต่หลับเท่านั้นะอันนั้นนะคือความปฏิบัติดีของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะถามว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าปฏิบัติดีไหมนี่แหละคือการปฏิบัติดีเพราะการปฏิบัติดีคือปฏิบัติที่มันตรงกันข้ามกับชั่ว ผู้ที่เข้าไปมีกิเลสกับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าปฏิบัติไม่ดีใช่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละคลายจากกิเลสในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตามเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตรงจรงิงๆเนี่ยนะตรงเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพระองค์ยกขึ้นมาเป็นข้อแรกก่อนพอถึงรู้วิธีการก็ไม่ใช่ว่าจะจะเจริญใช่ไหม ที่เหลือก็ความเพียรนี่มีมากขนาดไหนเนี่ยนี่พระองค์ยิงแสดงสัมมาประธานต่อมานี่แล้วก็แสดงอิทธิบาทพวกนี้เป็นบาทแห่งความสําเร็จนะถ้าเจริญด้วยฉันท่ถ้าเจริญด้วยฉั น, ฉนท่านี่คืออะไรศรัทธานั่นเองฉันท่ตัวนั้นคือศรัทธานั่นเองศรัทธ า, าตามคําสอนอย่างมากเชื่อมากศรัทธามากแล้วเจริญพวกนี้เจริญด้วยฉันท์ฉันทิ ท, ทิบาทบางผู้อันนี้เจริญด้วยวิริยทิบาท พวกที่เจริญด้วยวิริยะนี่คือพวกไหนพวกนั้นจริงๆไม่อยากเจริญแต่เหตุผลจำเป็นต้องเจริญนะเหมือนกับคนที่ที่ไม่ค่อยอยากทำงานน응ะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเหตุผลจำเป็นต้องทำพวกนี้ต้องใช้ความเพียรมากะนะบอกพวกที่ใช้ความเพียรมากคือพวกไหนพวกที่รู้ว่าถ้าไม่เจริญตกนรกงไงยๆ่แลแต่ก็ไม่อยากเจริญอะไรแต่ก็ต้องจำเป็นต้องเจริญเพราะกลัวนรกเนี่ยนะพวกนี้เพียรมาก มันก็จะเป็นวิริยะทีบาปซะส่วนใหญ่บางพวกก็เจริญด้วยจิตเนี่ยนะมีจิตเป็นใหญ่บางพวกก็อันอนุภาพของปัญญาเป็นหลักเนี่ยนะก็เป็นอิทิบาททีนี้ระหว่างเจริญก็ต้องเกิดเกิดการปรับอินทรีย์อยู่เสมอเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ให้สมดุลกันทีนี้ถ้าเจริญถูกท่านบอกว่าเป็นภละภละหมายว่าต้องไม่วันไหวกับธรรมะตรงกันข้ามห้าอย่างนั้นแล้วก็มาอ บ, บรม ทั้งหมดเนี่ยแต่จริงๆอ่ะคือสิ่งเดียวกันทั้งนั้นแหละนะแต่มาแยกแสดงตามาตามประเภทนัยะบุคคลทั้งหลายแหละที่เข้าใจอะไรายากมากที่จะต้องอธิบายมากๆเอาไว้เนี่ยก็จริงก็สิ่งเดียวอุคติตันยูเขาไม่ต้องพูดเยอะหรอกเอ่อที่การที่เอาเรื่องของอิธิบาทมาใช้กับจริยธรรมทั่วๆไป เช่นมาสอนกันทั่วๆไปว่าอิทธิบาสีได้จากชั้นทวิยะจิตา ว, วิมังสารนี่นะฮะเออการงานการงานที่จะสำเร็จได้ก็เพราะอิทธิบาสีอย่างนี้เนี่ยถามว่าควรไหมครับหรือว่าใช้ได้ไหมครับก็ไม่ฟังฟังดูก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบตามคำสอนทั่วๆไปก็ไม่ควรควรใช้อธิปดีมากกว่าอธิปติเนี่ยนะ องธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดฉันทาวิริยะจิตและปัญญาเหมือนกันแต่ใช้คําว่าอธิบดีแต่ถ้าใช้คําว่าอิทธิบาทเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มธรรมะที่เป็นไปเพื่อเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะที่พระ อ, องค์บอกว่าธรรมะทั้งหมดเหล่านี้คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทระะีพระโพชฌงค์เรียมักอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยพระ อ, องค์แสดงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อเพื่อนิพพานอยู่แล้วเนี่ย ทีนี้ถ้าเราเอาไอ้อิทิบาทที่พระองค์แสดงเพื่อ น, นิพพานมามาเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยนะซึ่งเพื่อวัตถุกรมก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งกันแรกแต่ถ้าจะใช้ก็ใช้ศัพท์ว่าอาธิบดีแทนก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าอาธิบดีมันเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลและเนี่ยนะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลย ถ้าอธิบายสี่ใช้ไม่ได้ไม่สมควรจะใช้และมักในองคแปดควรจะใช่ไหมครับผมเมื่อเป็นโลกิยมักอยู่แล้วก็คื อ, อ, อคำพูดเหล่านี้นะพงแสดงเพื่อความรู้ยิ่งใช่ไหมธรรมะทั้งหมดเหล่านี้แสดงเพื่อความรู้ยิ่งคือใช้ศัพท์เหล่านี้นะถ้าใช้ตามวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ไม่ไมไมผิดอะไรแต่ว่า <c oughs> เอาศัพท์ว่าอิทธิบาทมาเพื่ออธิบายวัตถุกรรมอันนี้ที่ที่ที่ผู้การถามเมื่อกี้เช่นถ้าแกอยากได้เงินมากๆนะแกะต้องขยันทํางานให้มากเข้าไว้มันเป็นอิทธิบาทมันทําให้สําเร็จเงินเดือนมันจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยไม่ควรเอาอิทธิบาทมาที่บายในเรื่องนี้นะลักษณะแบบนี้นะเพื่อเพื่อมาที่บายว่าคุณเจริญอิทธิบาทเพื่อหาวัตถุกรรมอันนี้ถือว่าไม่ไม่ตรงคําสอนแต่ถ้าตรงคําสอน แต่ยังไม่ถึงจุดหมายจริงๆก็ใช่ได้เออช่นสถติประทานสีที่เราฝึกกันขอนให้มีจุดมุ่งหมายเนียสำคัญคที่สุดคือถ้าเป็นออกทะเลเนี่ยถ้าติดถ้าเรือมันออกทะเลแล้วนะขอใมีจุดหมายอ่า<ม>ตรงนั้นเนี่ย<ช>เป็นสำคัญครับแต่ถ้าจุดหมายที่ผิดพลาดแล้วก็มันอย่างว่ามันเป๊ะไปหมดอนะ่ะเพราะว่าที่นักประการถามหนึ่งนี้นะครับคําว่าสติประทานสีก็ดี อทธิบาทสีก็ดีพวกฝรั่งที่เขามีตำราในวิสุทธิมรรคเขาก็แปลกันแล้วก็นกักวิทยาการของเราเอามาใช้นะวิสุทธิมีคุณค่ามากนะครับเราก็ใช้หมายถึงใช้ที่เป็นประโยชน์แต่ใช้ที่เป็นไม่เป็นประโยชน์ก็มีเกิคำนนะี่ยนะครับอธิบาสี่ครับเกิธรรมะกลุ่มนี้เป็นธรรมะกลุ่มโพธิปัจขยธรรรธรรมะที่เป็นกลุ่มที่จะทําให้ตรัสรู้อริยสัจ แต่ก็อย่าคิดอะไรมากเพราะว่าคําของพระอริยะจะกลายเป็นคําของปุตุชนหมด น, นะนะเพราะปุตุชนเนี่ยจะแปลงอะ น, นะเรียกว่านักประยุกต์อะนะคือประยุกจนจนเสียหมดอะ น, นะอย่างเช่นคําว่าสติสัมปชัญญะเป็นต้นอะ น, นะคำของท่านเป็นคําสูงมากนะเนี่ยประยุกต์ไปประยุกต์มาก็เอาเป็นว่าไม่เบลอใช้ได้ลนะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะ พั้งโดยโดยเจตนารมณ์แล้วก็ผิดผิดวัตถุประสงค์ของคําสอนเนี่ยสูงมากเนี่ยนะถ้าถ้ากล่าวตามให้ตรงๆงเลยนะแต่บางรายหนักกว่านี้อีกไม่ควรใช่เลยเพราะเป็นธรรมะชั้นสูงสำหรับผู้จะเป็นอริยะคนเท่า น, นั้นพวกเราไม่ควรใช่เลยอย่างนี้ก็มีสอนเหมือนกันแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปนได้อย่างมักมีองค์แปดนี้เป็นโลกิยมักก็มีครับ เพื่อที่จะเจริญความจริงก็ศีล น, นะสมาธิภาวนาก็สรุปแล้วก็ถ้าเจริญให้สูงสุดยอดก็คือมักมีองแฝดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเจริญมักมีองแ์8ในท่านะที่เป็นปุ้ดชนอยู่ก็อย่างใดเพื่อที่จะไต่เต้าไปให้ถึงจุดสูงสุดใช่ปครับท่านใช้คำว่าบุปผากรนะครับผมโดยศั์ในพทุทธพจน์ ที่เรียกว่าโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยก็ชัดเจน บ, บทสุดท้ายคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นนะท่านก็จะต้องรู้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติแล้วถึงที่ไหนเนี่ยนะก็ต้องมาศึกษาในส่วนนี้ให้เข้าใจรจริงๆแล้วถ้าศึกษาตามปฏิสัมพิธารร ม, มักปัญหาพวกนี้แทบไม่เกิดเลยเพราะว่าโสตตามหา ย, ยานมันต้องเรียนทั้งหมดอยู่แล้วนะจะต้องทําความเข้าใจทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ แต่ล้วพอพอฟังทั้งหมดทรงจําได้ทั้งหมดแล้วก็ที่จะได้ว่ามีศรัทธาที่จะทําตามไหมนะแล้ว <Okay. S 1> ค่อยว่าอีกที อ, อีกนะแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยมีศรัทธาจับปฏิบัติตามแต่ว่าไม่ค่อยอยากรู้นะนะอยากจะปฏิบัติแล้วแต่ว่าไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นแหละอันนี้คือคือคือยุคนี้นะมันมันต่างจากยุคก่อนมากไม่อยากเรียน <ขอ S 2> ไม่อยากาเรียนอย า, ย, ย, ยากปฏิบัติอย่างเดียวถ้าสมัยก่อนเขาบอกว่า เขาเขาให้รู้ก่อนว่าเขาปฏิบัติอะไรเนี่ยนะแล้วเขามีศรัทธาจะปฏิบัติตามไหมอันนะั้นคือสมัยก่อนเขาขอฟังก่อนเ น, นะเขาไปยังไงมายังไงอ่ะนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกไม่ใช่ไปถึงเขาไปเชื่อเลยนะไม่ใช่เขาไปดูทดลองนะถ้าเป็นคนที่เรียนคัมภีร์ลักษณะมาเขาจะตรวจด้วยลักษณะทั้งหมดก่อนอันนี้ข้อแรกข้อสองฟังก่อนขอถามก่อนบอกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงถามปัญหาด้วยใจพระค์ต้องตอบด้วยวาจาอย่างเงี้ย ต้องถามปัญหาด้วยใจก่อนนะแล้วค่อยต้องตอบด้วยวาจาด้วยนีนะอย่นเช่ น, น, น, น, นลูกศิษย์พรามภาวรีเนี่ยสั่งลูกศิษย์ให้ไปทําแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าจริงเขาถวายชีวิตให้ถ้าไม่จริงเขาออกทันทีลักษณะนี้นะแล้วเขาฟังเขาก็บนรลุจริงกันด้วยนนะเพิ่งฟังเสร็จเขาบอกว่าใช่เลยนี่นนี้ของเราก็บอกว่าเชื่อแล้วแต่ว่าไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้น จะเอาจะทำตามอย่างนี้นะบอกมาเลยหนึ่งสองสามจะให้นั่งให้ท่องว่าอะไรก็ว่ามาก็ทำไปทำไมก็ไม่รู้ก็รู้แต่ว่าดีอ่ะใช้ได้ยังไงสอนจะถามว่าไงกจะเรยนถามว่าสมมติว่าเรายินซีแก้กล้านะฮะคือว่าสัดยินซีไม่ได้ยินซีอะไรเนี่ยนะะแก้กล้ามากแล้วอยากจะทราบว่าแล้วอินซีพลา คำว่าอินซีนี้ก็คื อ, ค, อความเป็นใหญ่เนี่ยนะเช่นศรัทธาในความเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อสิ่งเดียวกันถ้าธิบายเป็นพาคก็บอกว่าไม่หวั่นไหวในความไม่เชื่อเนี่นนนนย น, น, นะธรรมะเหล่านี้ถ้าแสดงภาคพิสดารขนาดนี้คือให้รู้ว่าแสดงกับบุคคลประเภท ในยะบุคคลที่จะต้องฟังมากเรียนมากเรียนทุกแง่ทุกมุมอ่ะ น, นะให้จิตเป็นกับกุศลให้มากอา จ, จึงจะตรัสรู้ได้แต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้ศัพท์มากขนาดนี้เลยภาษารีบุตรไม่ได้ใช้ศัพท์เหล่านี้เลยอะ่ะแต่ท่านบรรลุได้จะบอกว่าเช่นนะอย่างที่เราคุ้นเคยกันว่าทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือขันห้ามันเกิดจากเหตุนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุให้เกิ ด, กดขันห้าและความดับเหตุแห่งขันห้านั้นแหละ ซึ่งก็บอกว่าขันห้าก็ทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมเหตุที่ทําให้เกิดขันห้าก็คือสมุทัยสัตว์ถ้าดับสมุทัยได้ทุกอันนี้ก็ดับอนะพระพุทธเจ้านี่ปกติสอนแบบนี้นะบรลุเลยโดยที่ไม่พูดตัวมักอันนี้สักคำเลยพูดแต่ปริญยยาธรรมกับปหาตถาธรรมแล้วก็บอกว่าแจ้งก็ต้องแจ้งสิ่งนี้นะนะเขาก็ตรัสรู้เลยแต่ก็บางกลุ่มเนี่ยฟังอย่างนั้นแล้วเออรู้แต่ว่าเฮ้แล้วทํำยังไงละครนี้ต่อไปอ่ะนะ อันนี้แหละที่จะต้องมาสอนกัน